บางคราวเคยหลับตาเอาทางทำเข้าขมหลับให้ร่างของคุณจรีเป็นโครงกระดูกแบบปลงสังขารแต่เปล่าเลยปลงยังไงเจ้าสั์ส่วนที่อวบอัดนั้นมันก็ลอยเด่นมาไม่ยอมเป็นกระดูกอย่างตั้งใจไว้ผมได้กลับไปนอนวัดตามเคยแล้วก็รายงานคุณนพทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องที่แอบดูคุณจรีอาบน้านอกกนั้นรายงานหมดเรื่อยๆไปเถิดแล้วมันจะต้องมีอะไรอะไรอีกตามที่โลกหมุนไป